พอดีอากาศหนาวแต่ทางธรรมชาติเขาก็มีสำหรับมาทุกท่านนั่นแหละไม่ว่าพระไม่ว่าโยนกาว่าธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่ตามรักษาเดี๋ยวนี้เราก็มาหาที่พึ่งนั่นแหละที่พึ่งที่มันติดตนติดตัวติดกายติดใจเรามาดืมด่มๆก็มี ก็ตัวนี้แหละตัวที่เรากําลังหาเพิ่มเติมอยู่เนี่ยดังนั้ น, น, นในฐานะที่มาศึกษาธรรมะทําไมถึงมาไกลธรรมะที่เราศึกษาอยู่นี่ไม่ใช่ว่าเรื่องศีลธรรมไม่ใช่เรื่องประเพณีขนบธรรมเนียมแี่ ว, ว่าเป็นเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าในนี้เรากําลังค้นหากําลังตามรอย หลวงพอ่อก็มมนให้บอกว่าเราในที่นี่มันเป็นรอยของพระอริยเจ้านั่นแหละนนจริงๆการปฏิบัติธรรมในคราวหนึ่งเนี่ยคราวหนึ่งนึงที่เราเปิดงานส่วนมากก็เห็นคนเท่าคนแก่รุ่นหนุ่มรุ่นสาวไม่ค่อยจะมีคล้ายๆกับว่าธรรมะเป็นของ ยำปิ่นกับพ่อกับแม่กับคนเท่าคนแก่กับพระสงฆ์สามเณรจริงๆกับธรรมะเนี่ยมันเหมาะกับทุกท่านนั่นแหละลูกๆหลานๆที่เขาอยู่ในวัยหนุ่มเป็นวัยแน่นยิ่งเหมาะมากนะแต่ว่าเขาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเราคนเท่าคนแก่นี่ไม่ไม่มีเวลาไปฟังข้อปีกย่อยความจริงอยากจะรวบรัดนะิน่ะ พระธรรมคําสอนของพระศาสดาที่พระองค์ตัดเอาไว้มันมีมากถึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์แต่มาดูขันธ์มาดูคนที่มาศึกษาธรรมะคำสอนของพระองค์มีแต่คนเท่าคนแก่คนเท่าคนแก่ก็หมายถึงคนที่มีอายุมั่มากเข้าปูนชาลาส่วนมากคือเดินทางเดินทางชีวิตเดินทางมามันจะถึงจุดจบอยู่แล้วเหลือเวลาให้เราศึกษาธรรมะคําสอนนี่ ไม่มากเขาเว่าธรรมะคาสอนสําหรับคนที่มีความรีบร้อนเป็นพิเศษจะไม่ศึกษาให้ให้ทั่วก็ได้ศึกษาครึ่งหนึ่งหรือนิดหนึ่งส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมะกำมือเดียวแต่ถ้าทําส่วนกํามือเดียวนี้ให้ให้แก่มกระจ่างก็เท่ากับเราได้ศึกษาหมดในแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันนี้ ดังนั้นในขณะที่เราคนเท่าคนแก่มาศึกษาธรรมะพระครูบาอาจารย์นําเรื่องต่างๆมาพูดก็ไม่อยากจะพูดเรื่องสเปียร์ฮระเรื่องเรื่องนอกแนวไม่อยากจะให้สังขารของคนเท่าคนแก่เนี่ยปุ้งตะลืด อ, ออกไปความจริงเนี่ยขันของเราที่เราประคับประคองอยู่เนี่ยมันมีห้าขันเท่ากันทุกท่าน คนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่พระสงฆ์สามนิลคารวะญาติโยมมีห้าขันเท่ากันหมดแต่ขันไหนเราใช้มากลองดูลูกขันเนี่ยสําหรับโยมพ่อโยมแม่จะเห็นชัดเจนถ้าเรามีลูกชายลูกหญิงถ้าเราใช้งานหนักหนักน ก, กับเขาตั้งแต่เด็กเด็ก เ, เนี่ยร่างกายของเขาจะแะแกรนไปเลยแหละคือใหญ่ไม่เป็นมีนคนร่างเล็กไปเลย คือเอางานเข้าไปฆ่าร่างของเขาก็เลยแกรแก่นนี่รูปขันส่วนเวทนาขันนี่สติที่เรามีอยู่นี่มันก็พอจะปกป้องแต่บางทีก็ขาดขับหายนั่นแหละเวทนาเดียวนี่มันก็มีเวทนาประเภทหนึ่งซึ่งมันกำลังขับเคี่ยวอยู่แล้วก็เปลี่ยนกับทันหัน ดินฟ้าอากาศถ้ามันเปลี่ยนกับท่านหันเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อลูกปธรรมเหมือนกันนะว่าลูกกับูกประธรรมของเราเนี่มันเปลี่ยนไม่ไวไม่เหมือนานา้าเราดูแผ่นดินกับน้าก็ได้แผ่นดินนี่มันมีความทึบความหนาในเมื่อพระอาทิตย์มันรับฟ้ารับฟ้าลงไปรับภูผาป่าไม้ลงไปเนี่ยแผ่นดินนี่ไม่ไม่คลายความร้อนง่า ย, ายๆแผ่นดินไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปกับบรรยากาศง่ายๆ ไม่เหมือนน้ำน้ำนี่จากร้อนมาหาเย็นนี่มันเปลี่ยนง่ายๆแต่ว่าแผ่นดินมันอมความร้อนมันอาจจะค่อนคืนนู่นหลยมีสังขารหรือรูปประธรรมสังขารมันสองส่วนนะสังขารคือร่างกายจิตใจละ ว, ว่านะส่วนรูปประธรรมเนี่ยรูปขันนี่มันมันกําลังเจอภัยหนักความหนาวก็เป็นภัย แต่ถ้าความหนาวมันจะถึงขั้นอันตรายสัญญาเอที่เราจะรู้จักปกป้องตัวปกป้องภายให้แก่ตัวสัญญาก็จำได้เหมือนกันนะมันก็ทำงานต่อเนื่องมาจากสัญญาเหมือนกันนะสัญญาเนี่ยถ้าความร้อนมันอันตรายสัญญามันก็บอกสัญญามันจำได้เมื่อก่อนเคยพูดบอกว่า สัญญานี้จำพู่จำคนจำพี่ป่าหน้าอาจำพ่อจำแม่คนเท่าคนแฉะผสมสามเดืนที่เราเคยพบปะสังสรรค์พบหน้าเจอตากันรู้จักชื่อกันเนี่ยเราจำสัญญาของเราเดี๋ยวนี้สัญญาของเราก็ยังติดมาเหลือให้อแต่ละท่านได้ใช้งานพอเหมาะพอสมอยู่เหมือนกันถึงอายุจะเข้าปูนชล า, าแต่ว่าสัญญาส่วนหนึ่งมันก็ส้มไปแล้วชล า, าไปแล้วมันเหลือ ให้เราใช้งานเฉพาะส่วนจะเป็นจริงๆไม่ไม่เหลือมากสัญญาที่ไม่จำเป็นนี่มันไม่สนใจยมพ่อยมแม่เคยสังเกตดูไหมยอย่างเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยในขณะที่เราฟังนี่เรื่องต่างๆเราฟังอยู่ครูบาอาจารย์ท่านที่มาบรรยายให้เราฟังนี่บางทีเรื่องที่เราฟัง ยาวถึงชั่วโมงหรือยาวถึงโมงครึ่งแเนี่ยเวลาชั่วโมงหนึ่งหรือโมงครึ่งนี้คำพูดที่ท่านพูดมาทุกประโยคทุกประเด็นทุกอถ้อยกระท ong ความเนี่ยประโยคไหนคําไหนที่ไม่เกิดเกิดหนุนจุนเจือกับการปฏิบัติเรียกว่าคําพูดแบบไร้สาระหากมันจะมีหากมันจะปนมาเนี่ย สัญญาของเราไม่ใช่ว่านั่งฟังตลอดชั่วโมงจะจําเอาหมดทุกทุกเรื่องนะทุกคํานะถ้าไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติท่านพูดออกเรื่องอื่นๆเนี่ยมันไม่ยุ่นเกลียมันไม่เกื่อนหนุนเราจะไม่นํามาใส่ใจหรือเราจะไม่จดจําเลยอย่างนี้เป็นต้นเราจำเอาเฉพาะทำที่มันเป็นบันได ก้าวสำคัญสำคัญที่ให้เราอยู่ในร่องรอยของการปฏิบัติที่มันเนี่ยให้เราเอาหันเข้าสู่การปฏิบัติปักใจหรือใส่ใจสนใจต่อการปฏิบัติอย่างเนี้ยดัง น, น, นั้นสัญญาของเรานี่มันมันใช้งานมามากจึ่งไม่อยากจะให้คนเท่าคนแก่จําเรื่องต่างๆซึ่งมันไม่สําคัญเดี๋ยวนี้สัญญาของเราใช้งานลองคิดดูสิในปลำ้ำถามเพียงหรือ ป่าธรรมชาติป่าม้แห่เนี่ยก็เป็นป่าย่อมย่อมแต่ว่าร่มเงาหนาทึบ ป, ป้องแดดป้องฝนให้เราอย่างดีเราถอดเครื่องใช้ต่างๆรองเท้ามีเยอะแยะเราออกไปเบาเราออกไปอะไรนี่ไปทําทุละนิดๆหน่อยๆรองเท้าอท่านคนอื่นรองเท้าเราเราจําได้นี่แสดงว่าเราก็น่าชื่นชมกับสัญญาที่มันเหลือให้เราได้ใช้งานถ้า สัญญาของเรามันปั๊มปั๊มเผลอเผลอมันลืมหน้าลืมหลังหากเราเผลอพังไปสวงเอารองเท้าคนอื่นมันจะวุ่นแค่ไหนเขาจะด่าให้เสียหน้าไปเลยอย่างนี้เปน็นต้นผ้าของเราตากอยู่ในราวเดียวกันผ้าอยู่ในราวเดียวกันเวลาเราจะเอาเครื่องใช้ของเราก็ไปจับถูกของตัวเองอย่างเหมาะสมอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าสัญญาของเราที่มันเหลือมาใช้งานในจีนต่างๆนี่มันมันก็พอใช้อยู่ในแหละดูที่สัญญาของเรา ดันั้นไม่อยากจะให้ไปจําเอาเหมือนอย่างอยู่นครลี่วัดอาจารย์สุรพลที่ผ่านผ่านมาเห็นคนเฒ่าคนแก่ฟังเคสหลวงพ่อพอดีมีคําผูกเอ่อห้าเอิ่นว่าคําผูกแขนนั่นไหมผูกแขนผู้เฒ่าผูกแขนผู้บา่าวผู้สาวสู้ขวันหนักกับผูกแขนหนกักอ่ะมีแต่คําดีๆฟังแล้วคนเฒ่าคนแก่ทึ่งถือปากกาถือกระดาษ ไปเขียนกันหลวงพ่อเดินรอบๆไปแถวกอไผ่ไปเห็นคนตาคนแก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบไม่ไม่ใส่แว่นตาเขียนได้หลวงพ่อบอกโอ้ยมีเด็รุ่นไร้ข้ามหลวงพ่อเกิดสุดท้ายภายหลังรุ่นลูกลูกก็ยังใส่แว่นตาอยู่เลยอ่านหนังสือไม่ออกพวกคนตาคนแก่เขียนหนังสือโดยไม่ใส่แว่นตาหรือเพราะว่าเขียนอะไรละพวกไม่ใหญ่ออ่าก็บอกว่าเขียนอคําผูกแขน อให้หลวงพ่อเขียนให้ยไงให้สิหลวงพ่อบอกโอ้ยอย่าไปทรมานเขาเลยสัญญาของคนต่อคนแก่เอาเหลือไอใช้งานที่มันจําเป็นจําเป็นเถิดหลวงพ่อว่าเรามันก็อายุอานามเข้าปูนชลาคันไหนล่ะคนเดี๋ยวนี้มันทรมานกว่าเพื่อนมันใช้มากกว่าเพื่อนน่วันหนึ่งหนึ่งเราใช้กันไหนไหนมากกว่าเพื่อนไม่ใช่สัญญาเลือนหลวงพ่อว่าใจกินหน้าก็สัญญาเป็นผู้ลูกผู้เห็น เห็นอะไรเห็นความหิวความหิวอหิวข้าวมันก็มีรูปลักษณะจนสัญญาเขาจําได้ความหิวน้ําำหิวน้ําก็มีรูปลักษณะอย่างหนึ่งหิวกระหายน้ํามีรูปลักษณะอย่างหนึ่งหิวข้าวมีรูปลักษณะอย่างหนึ่งเดี๋ยวสัญญาเขาจําแม่นยําที่สุดมันไม่ได้นั่งนั่งคิดอยู่นะถ้าสัญญาของเรามันเลอะมันเลอะเลือนอตัดสินใจลงได้ไม่ง่ายถ้ามันเลอะเลือนนะ นี่มันง่ายนิดเดียวไม่ต้องมานั่งคิดให้เสียเวลาเวลาเรากระหายน้ำเราก็รู้ชัดว่ากะหายน้ำเดินดุ่มๆไปหาหม่อน้ำไปหาการน้ำไปหาเหยื่อน้ำเลยทันทีโดยไม่ได้นั่งคิดเสียเวลาเฮ้ย hey, เดี๋ยวนี้กูหิหิหิวข้าวหรือกะหายน้ำหนอกูต้องกินหาดูว่ามันหายมันกหายน้ำหรือมันหิวข้า ว, ว, า ว, ว, าวไม่เคยมีเลยดูดูซิความแม่นยำของสัญญาเนี่ยจำของละเอียดใช่ไห ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาไม่เห็นเนื้อเห็นตัวไอ้พวกสัญญาไอ้พวกความหิวข้าวหรอหือความกระหายนา้ามันมีตัวมี ต, ม ต, ม ต, มตนมีรูปร่างเหมือนอย่างเนื้อตัวของเรานี่ค่อยก็ค่อยอยังชัว่วนี่มันละเอียดมันหาตัวไม่ได้สัญญามันยังไปจําเอาขนาดนั่นอะจำได้แม่นยําที่สุดดูสิมันทำให้เราเนี่ยลุงพ่อพูดเมื่อได้กยี้เนี่ยพวกยวมพ่อโยมแม่เคยเลี้ยงลูก ถ้าเราให้ลูกของเรากระทำกับงานหนักๆมาตั้งแต่เด็กๆร่างกายของเขาจะแคะแแปลไปเลยจะเป็นคนเล็กคนแคะคนเปี้ยไปเลยอย่างเนี้ยไม่ใหญ่นี่สัญญาของเราถ้าเราใช้งานมากๆลองคิดดูสิถ้ามันโทมไปเป็นไงเขาเอ่ยว่าโรคข่วงจั่เสื่อมเนะ่ยเห็นพอญอ ย, ยู่บานเสียตัวไปแล้วปีเนี้ยพระอุ น, นึงกับหลวงพ่อสุขสัญญาไอ้ข่วงจั่เสื่อมหลวงพ่อสุขนี เสืมออกมามากจนมองแค่ว่าสีกลิ่นเอียงๆเลยจนลูกลูกสิเป็นบ้าอันลูกส่วงขึ้นบาออ่าไปแล้วพราะงี้สีเนี่ยค่ะคันล้เงื่อนกับกับบ้านบระตู ก, กับมาหาเงื่อนลูกบระตูในขณะที่ยูจะว่ายูกับลูปูนใดจำํำซีลูอปอะไรปะนั้นล่ะมาดูแ ล, แล้วเนี่ยเราเราลองคิดเปรียบเทียบกันกับคอมพิวเตอร์ไหมล่ะเราไปสะ อ, อันห้าว่าสอันไปว่าทางเมืองเหนือนี่เพื่นจางหาดีว่าบัวใดส อ, อันนี่มันเป็นขํามจีริบ่ เป็นข้ามแสลงไอ้สิสโศกโดกหยาบล้นหยาบค่ายจังใดบุ๊คล้ายๆกับขออภัยที่ห้องรับสิว่าดอกท่องดอกยังสีกระสีไป ย, ย, ย, นะ ย, ย, ย, ยังสันสันวัยหยาบล้นน่ะขยะขยงแสลงหูห้องบ่อเคยฟังจะเสร็จอันนี้ก็ป่าทุบัดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยขวามมูลต่างๆที่บรรจุในคอมพิวเตอร์มันเสื่อมไปเขาบรรจุเขาไม่ได้ น, นั่นเอง เขาบรรจุไม่ได้มีควอมเกริอรของวิทยาศาสตร์เขาทํำได้ขนาดนั้นแผ่นดิส ด, ดีน้อยพอสองสามนิ้วนีซสมมุว่าพิมพ์หนังสือภาษาไทยปีดโดกไซน์นี่ไม่ได้หนังสือจะ่าจะ ก, กี่ล้านตัวบุ้นได้นี่ยมดูบรรจุเขาได้หลายบนนั้นแผ่นดิสเนี่ยซีเป็นหนังสือหรือมีไงจักกี่เหรียญมาดูว่าเนี่ยถ้าผู้ใดมีเงินล้านสิบบากธนาค้าศ ก, ก็ขอมุอ่นอัดไว้ในแผ่นดิสเล็กๆนั่น แต่ว่าถ้ามันเสื่อมมันเกิดมีเหตุของมันแล้วเขาบรรจุไม่ได้แต่บ่านี่สัญญาของเขาทำมันเสื่อมไปมันเหตุจากอะไรมันเป็นหน้ามาทำไม่มีผู้สิมาบรรจุใดเสื่อมก็เสื่อมไปเรื่อยๆนี่หาหาเท่าใช้มันเปลี่ยนเทาสิใช่จิตไปจีปีใช่ย่างบ๊ประหยัดนี่ใช้เงินบ่อประหยัดเป็นในป่วยไม่ไงว่าหามาโดยยากเราใช้บ๊ประหยัดไม่ได้การเดินโจงกรงการสร้างจังหวะเพิ่งก็อยากให้ประหยัดในขณะที่เดินจงกลมกับเดินแบบ โอ้หันมาบอกภาษา ท, ท, ทินทิ่นเฮ่มันสิไห้ดินล่มพอหาขนะดบอกภาษาที่เกิดกับนี่คันเดินจุกลมนี่เพิ่งก็ให้เดินแบบเออ่แบบมีสติคันเดินย่างว่ามีสติเขาเอืนว่าเดินแบบคิดบ่าใส่ใจว่ตามขยันเดินจเอขยันเดินจุกลมขยันสนั่งจะว่าเจ้าว่าทรงใจรอยไปที่อื่นนี่เป็นว่ามันบระปิ่นกมฐาน คันเดินดูนดเพิ่มขยันสร้างเจวะกะสร้างดูดเพิ่มจฉวหวันเจว ะ, วะจิตใหญ่ข้องเฮาลอยเฮิรนไปที่อืน่นฝืนแฉลบออกนอกเปลาบระยูกระเหนือกระตัวที่ว่าเปลี่ยนกายานุปัสนาคาว่ากายานุปัสนาสติต้องอยู่กับกายเฝลาอยู่คือเด็กฝ่าว่านอันแม่ที่สิมาปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเอ๋ก็บอกลูกบอกหลานให้อยู่ยาเฝ่าบ้ า, า, า, านให้อยู่ยาเฝ่าเฮืร์น บางสิ่งบางของซึ่งไหมีขามีราคาเขียนเสื้อผ้าอาพรอนที่นอนหมอนหมุงเนื้องคมเก๋าเจียวต่างๆของมีขามีราคาสัดที่เรียงไว้ในลุมในรางขึ้นกันให้เขาอยู่เป็นหูเป็นตาเขาก็ บ, บอกลูปบอกเต่านี่การมอบหมายงานให้เขาอยู่เฝ้าสัมพัน์แม่มากสัมพันธ์พ่อมาไปหัวมือเจ็ดมือถ้าเขาท่านาที่ซุดจีมือของเขาเขาก็ะือว่าทรงทางเฮ้า ค้า่าสรงทางจะเข้าใจว่าเขาหิวกับเอา๋า้าน้ากลนต่อยต่อยจะเข้าใจว่าสัน้นนั่งบุคือทรงทั้งแขกที่มาเยี่ยมมายามเฮ้าเด็กเขาทรงทางพอแมีที่มาประพฤติปฏิบัติท่านเนี่ยทรงทางด้วยการเฮ็ดงานตามพอแมีสัง่งเฮ็ดดีด้วยเฮ็ดดีจนสุดฝีมืออยู่กับเพื่อมกระชั้นเลยนี่คือการทรงทางนี่ยเด็กน้อยบางคนอาจจะบอกเข้าใจว่าเอ๊ค้า่าไอ นอนอยู่คนละแหงจ้งไหนเจ้งสีเอินว่าทรงทางพื้นแต่ทรงทางคอทรงทางแม่นี่เวลาเพื้นไปฟืกก้นกมฐานเพิ่งกับยุวัดเหตุจ้าไหนจ้าสิ่ใดทรงทางพื้นอยู่คนละแหงอยู่คนละหนหมายถึงเหตุงานจนสุดฝีมือพอแม่พื้นสร้างอายู่ยาวเปล่าเฮื่อนให้เป็นหูเป็นตารักษานิ่งของที่มีค่ามีค่ามีราคาใหญ่มันหายด้วยหนามมือของผู้ลายอายขอมอย่างที่เป็นการทรงทางแล้ว เพราะว่าเป็นการปลดเครื่องของให้แกพลอจแม่พ่อแเมีของข้าอยู่ด้านนี้เท่าอื่นว่าปริโพดปริโพดก็คือขั้วห่วงใยท่รมดาคนเถ่าข้นแกธรรมดาพลอแเมีกับห่วงของที่เท่าสะสมไว้สมบัติสถานที่เท่าส่างมาจนมังจนมีจนอุณาฝาคังในโบเมนใช้เวล่อปีหนึ่งสองปี สางมาแต่ตั้งแต่วันแต่งงานจนอายุเท่าแ ล, ล้วปนนีล่ะข้อกลัวบางข้อคัวย่างบุญลำรว้ยเท่าที่ควรเนี่ยเพิน่นกะเห็นว่ามันยากกับฝากลูกฝากเตา้ามั่นใจว่าลูกเต้าสิหลับช่วงไห้ท่านลูกเต้าเขาลูกจากวิธีทรงทั่ทงหายใจพอใจเม ง, งยงไงการทรงทั่ง ให้นักปฏิบัติได้ไปสะดวกมากสบายปอดเพื่องของทั้งหลายออกให้เพื่อนให้เพิ่อนยามันยามันอันมันเครื่องของนี้มันบ่ได้มาผ่านขาพ่านแขงคือเสือคือเขาดิมันบ่เป็นรูปประอืมเป็นรูปประทัอมอยู่ล่ะแต่ว่ะห้าอาใจไปข่องบ๊ะเม่นเอากายไปข่องคล้ายๆกับอันเพื่อนเบาเรือพระมีเงินเนี่ยแก่เป็่อนจันอันด่าเพื่นเราพิกษุยินดีด้วยท่องและเงินนี่ ข้างไก่เนื้อไก่ตัวมนเลยทองเงินที่ฝากยุทธนาคา่านุ่นถ้าเขาไปยินดีถ้าเขาไปพ่อใจเขานอนอยู่ก็ระแวงก็จริงถ้าเอาใจไปพัวพันเอาใจไปคลองไปน่อมเนียวค่ายก็ว่าใจไปยุนธนาคารกับเงินพระกับบริกรรมวา่าเสเอาเงินก่อนั้นมาใช้งานสักอย่างหนึง่งยุยงสีต้องอบัตอันนี้กันบ่านี่ผู้เทาคันนี่ใ น, น ในขณะที่มากประพฤติอันนี้เป็นสิ่งของพระอริยเจ้าได้หนิต้องอบายที่กันมันไต่ไรานี่คือตองแล้วมันของมันค่าแล้วมาต้องแล้วมานูุ่นน่ะคําว่าตองกับเปรี้ยวซุ่นภาษาบาลท่าวซุ่นเคลื่อไปของเรียบไปมีแนวเมื่อของแล้วค่าแข็งค่าขาแล้วคําว่าเมื่อาของรลุมกระท่ำขาร่างกายว่าเมื่อไงขาใจเมื่อของมาผ่านอยู่ที่ใจแล้วนังนั้นคําว่าปริโพดีต้องเข้าใจ ก, ม า, กามาสน้ำหนีบ้วหน่อยแม่บางแม่พอ่อบางพอ่อก็เคยได้ยินว่าอ่าธ ร, รมดานักปฏิบัติทั้งหลายยอมมีเครื่องของจนเฮามีซื้อจนเฮาได้ถูกเขาเอิ่นว่าสัตว์ไผ่ผ้าเอืน่นสัตย์ข้นีบรนพระบรุตรเขาเฮานักป่าทุละเพวเ่อเฮากับเป็นสัตย์ถามว่เมนสัตย์เดลัดฉานเป็นเวนั ย, ยสัตว์ เวน้นในยศศินี์มีขั้วเฉลิลาด์ป่าเบื่องสามารถบรรลุทำคำสอนของภาษาสดาบวเมนอาภพภะบุคคลเว้นเสียแต่เป็นบาบ่ายเสียเจดิตจกคสิเป็นอาพพะดังนั้นพอเมทีมาในงานหนึ่งเดี๋ยวว่ามีส่วนมีโอกาสสิถึงมักผลเบืองสูงท้อๆกันเพื่อเดี๋ยว่าเครื่องของพระ ก, กันโป์โพสแห่งันไดออกจากบ้านมายญาให้มาตั้งแต่กายให้ถือว่าพวกลูกอยู่บ้าน เขาปวดซอยพ่อแห้งแล้วคือเขารับอามาจสากลงว่าสิทําทุกริงทุอย่างแม่บางแม่หรือพ่อบางพ่อกับสิบอกลูกได้บอกมาไปซะยังห่วงพวกผมเถอะพวกผมขันว่ายยุ่กับยู่เท่านละ่ะสิเฮตให้ทุกริงทุกอย่างนั่นละ่ยะยังห่วงหน้ายังห่วงหลังห้งมือเจ็ดมือเนี่ยสิรับช่วงให้ยุ่สิเฮตให้ดีสุดฝีมือละ่ะเบิงเฮือนเบิงท่านสีเบิงสีมันเบิงขันมันหก มันสกัดโป๊กลุกลกลุ่นลั่งกระสีมันปานมันกวดมันเช็ดมันถูอยู่นี่ล่ะระวังพวกผมอยู่ด้วยกันพี่น้องอยู่ด้วยกันกระสีระวังยุ่นละปากข้อก็ได้พูดจาปลาใสกระเสียมันไถรอบไถ่รอะอืมกระสีพ่อแม่กับเบาใจได้ยินพูดได้ยินข้าพูดของลูกพูดด้วยความฉลาดว่าสิเป็นหูเป็นตาเปาอยู่ยาวฝ่อบาดรักษาจริงรักษาของให้ดีให้สุดฝีมือจระสี ระว่างพีระวังนวเขากระสิรักษาปากและษาข้อบ่หายเกิดการทะเลาะเบาแหว่งบ่เป็นปากเป็นเสียงบ่เสียงบ่คิดว่าเสียงมันถกเถียงเียงอ้อนกันสิพ่อเมีก็ดีใจพ่อแมียกะเบาใจหากลูกพูดด้วยเพืฉลาดทรงทางนี่ทรงทางพอทรงทางแม่ยพอเมีเลยไปไปสบายการเดินทางเส้นนี้มันเดินง่ายดังนั้นเพียงยังคออ่อยบ่หามียังติดตนติด ต, ต, ต, ต, ต, ตัวพะลุงพะลังเดินเดินจากโลกจีไปสู่โลกกุตละ ด้วยการมาสะสมสติสัมปชัญญะและบานีร่องเบิงควมเป็นกลารของภาษาสดารังเทือพูมาฝึกกรรมฐานกับสายหลวงพ่อเทียนแต่ยี่คำพูดอ่าอีค่ายๆกับหลวงพ่อท่านอวดดีพูดนี่สิบว่าถูกรับอับัสสังฆาติจิตเพาะอวดอุตรีทีบ่าอุต่องปลัชิกเพาะอวดโอ้ ภิสุอวดอุตลิมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนคุนเข้าใจว่าในตองอบัตปะลากีพุนบางคนแท่ที่ยิงเจ้งสี่นะลองคิดบนดูาศาสดาได้กระสรางาศาสดาหมายถึงผู้ผู้ให้กำเนิดศาสนาลัทธิต่างๆใดบ่าว่าศาสนาพระเยสูคริสต์บ่าวาาา่าศาสน า, า, า, าอิสลามบ่าว่าศาสน า, ามีศาสดาของเทละศาสน า, านี่ ศา ส, สดาทีละศาสดาก็อยากให้ค้าสอนของเจ้าของยืนยัดคู่โลกว่าให้เสื่อมสลายไงยพระศาสดราก็เอาแหงเป็นคนข้นรอบครอบมีปริญญาทั่วถวนรอบครอบสิสั่งไหลมันเถอะห้องบางที่ห้าองอสีฟั้งสุภาษีของเพิ่นบ่อนั่นจังวิลีเยนะทุกข์กับมาเจติคนจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรเขาเข้าใจว่าเพื่อนสิร่วงจะคว่วทุก การปฏีบัติธรรมของขา้าพเจ้าสี่วงควบสุขนะให้พ้นควบสุขนะั่นนะบ๊วเม้นภาษาสดาอันเห็นทุกเป็นสิ่งที่ไม่ไพ่อย่างเดียวเพิ่งก็เห็นสุขเป็นสิ่งที่ไม่ไพนะ่นั่นหรือทุกขมัศมาทุกขมัศมหาพยังทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกภาษาสดาขึ้นตัดวางสี่ยักเข้าใจว่าภาษาสดานีอ่าเห็นทุกเป็นไพ่ภาษาสดากระยั่งว่าสุขนะั่นแห่งเป็นไพ่ อย่างปกปิดบ่มีทางเผยเปิดเผยเสมอขันผู้ใดาตาบ่าแหลมบ่คมหอดจีบ่เห็นวาสุกี่เป็นไทยเนี่ยมึงดูเบื้องต่าเพื่นตัดสลูกเกิดเรื่องมิตรทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่บ่วาสุกสุ้กับมีคู่กันนั่นละหายขอใจโดยในเลิโลปรดพระศาสนาเพื่นตัดอันรอบครอบยังสุภาษิตาอิทธิมลังพระมัจริยัสัตยิ้งเป็นมวลชินของผมอาจารย์เงนี้ โมเมนภาษาสดานีปักปั้มหรือม่องผู้หญิงว่าเป็นพิษเป็นไผ่เป็นโทษต่อผู้อภิภูมิพ่อมาจันทร์ควมจริงเพิ่นบเบาให้สุดตรงเพิ่นบอตรัสให้สุดตรงครับสอนของพระองค์เพิ่นกระยาให้ฝ้ายหญิงเข้าใจไหวขึ้นกันว่าใช่เป็นมุ่งทิ้งของพ่มาจันทรของฝ้ายหญิงขึ้นกันอืมนี่บาลนี้ทุกขมัติสามมหาพยัยามเถทุกเป็นไผ่ใยของโลก เขยากไอบเพื่อนพระ อ, องค์ก็อยากให้วิเวนศศาสตร์หรือสาวกของเพิ่นผููกำลังประพฤติปฏิบัติฝึกฝนสติสัพพัญญาอยู่นี่เข้าใจว่าสุขเป็นไพ่ใหญ่ขึ้นกันในเมื่อเขาได้ยินสุภาษิตวา่าทุกขมัสิสัมภาพยังทุกเป็นไพ่ใหญ่ของโลกก็อยากให้เข้าใจว่าสุขมัติสะมภะพยังสุขเป็นภพ่ใหญ่ของโลกขื้นกันเพราะว่าเพื่อนให้ถอนทั้งค่วงพ่อใหญ่และค่วงป้าพ่อใหญ่เมนบะถอนนี่ ที่อาตมาเคยผู้อยู่เรื่อยๆซึ่งบทพิเศษที่เพิ่นนํำมาสวดมนต์ไหว้พระเป็นรักประกอบของผู้ปฏิบัติท้าเขาใจมูญญ้เนี่ยกรรมฐานของเฮาวันหนึ่งมาสิเดินท่ามไปถึงกรรมฐานชั้นสูงเดี๋ยวนี้เฮาเป็นนักปฏิบัติคนใหม่ผู้ใหม่กระ่องไตเต่าไปจากกายยันปัจจานาเตถาเฮาจิตปาดเปืองสถิปัญญามั่นร่วมตัว ได้มากมากจนเป็นมหาสติมั่นสิขับไปท่านอารมณ์เซไปรูดสิขับไปรู้จักทุกท่านคิดท่านใจอและบานีเสื้อผ้าของขาา้ขขาวมัสสกพวกข้าวกระสากไงแมนบอพวกโยมผู้เท่าพอแมรทุกคนเคยรู้จักอันบาลีข้าวสวยว่าทุกข์กับมัตยังไงสกิตาปรโยธน์ปนังการชั่มละกิตนี่ไหมคำว่าชั่ละกิตนี่ มันเวอดข้ามเดียวกันเมีนบอด ก, กับการชำละสักเสือสักผ่านไงสักเสือซักผ่านาาานี่เวลาไดเสือผ่าขอ ง, ข, าางข้าวมันแปดเงื้อเปลือนไข่มีเข่ามอฟื่งเข่ามาไฟัติดหรือขีด ต, ตมุมขีดค้นมากติดมากแปดเต็มทีผ่าขเขาา้าวกะเก้อกังหรือมอมแม่บวบปิดตะสวมไซบวบปิดต่นูนแตห่หฮมบวบปิดต่ถือตอนนั้นแหละข้าวซักผ่า ถ้าวศรีสักผ่าต้องเลี้ยวหาแฟบต้องเลี้ยวหาสบู่หาหนามนี่มันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะว่าผ่าเป็นวัตถุเป็นรูปประทับจับได้บายถูกบัณฑิจิตประโยชน์ทัพนา่งการชําระจิตนี่จิตของมันบอบประผัดสอนมันบอบพองใสมันบอสวยสดงดงามมันสอบมันมองบางที่เขาบอกเอิ่นว่าสอบมองเขาเอื่นว่าหดฟูว่าเว เกิดปฏิฆาเกิดงูนิดเกิดล่ำข้ามเกิดเดือดดานเกิดเครียดแค้นเข้าว่าไปตามอาการของจิตจะถ้าเข้าว่าจิตของเข้าสมองแล้วจิตของเข้าดำคล้ำแล้วจิตของเข้าสกับโป๊กแล้วจิตของเอข้าคันบพว่าสกับป๊กกิดว่าเสียลูกแล้วไปสิผ่าจะกิตมื่อเขาคันเอาจิตตมวเมื่อปลายเผ่าเสียลูกลูกประสวยบงงามม่อมแแม่เขากับเลี้ยวหาผ่าเลียวหาสบู่มาซักเลียวหาแฟบมาหลางเลย อธิกิตาประโยชน์ทำหน้างการช่ำระกิดนี่โอ้ยใชายข้ามผัวคือกัรสื่อผกโยมแมวล่างคิดล่างใจสิไปล่างเจ้าใดของมันบ่แปดกี่ตัวกี่คนไหมเขาเมาอ่าไฟกับไปติดไปเปลี่ยนบ่ใดมันอยู่ในฟุ้งละอองที่ยปิยู่พะคลุ่มอยู่นี่กับบ่เคยเขาไปจับในขววั้วหัวใจเท่าใดแล้วเพป็นชายข้ามว่ามันบ่สะอาด จนมีบัลีที่เข้าวัดเศรษฐีตาประโยชน์ทัดตั้งการชำระจิตการชำระจิตของตัวในข่าวรอบให้หมดจดให้ขาวหลอกให้งดงน้ามบวมเอนเอานา้ําบวมเอนหาแฟบบวมหาสบู่ชำระจิตนี้ต้วงใช่สติเนี่ยบองููต้วงใช่สตินั่งเทีอกับบวใช้คําว่าชำระนั่งเทีอกับบวชเข้าถอนที่เข้าน้ำบทสวดมุ่งพิเศษมาสวยว่า กายเกายานุปัสสีวิหรติย่อมเป็นผู้พิจารณาอนกายในกายอยู่เป็นประยมอาตาปีสมัมปชัญญโนสติมหายเยโลเกียพิจาโตุมณสังมีความเปลียนเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกดูสิคำว่าถอนคว่ำพอใจและความไ่พอใจมันบรมเรื่องเอามือถอนเพราะว่าคว่ำพอใจและความไ่พอใจมันเป็นหน้ามาทําเป็นอาการของกิจสิเนี่ย เดียร์บาลี่บอกไห้ถอนเข้าน่ะนะเคยเอามือถอนตะเขือตะหยาซึ่งมันเป็นกวกเป็นกอวิธีที่สี่ปดเปือ้อกอ่ากิ๊ของเอามาติดอารมณ์เขาดาเขาเบากันเนี้ยกันเนี้เขาซบ ป, ประมาทเขาเหยียดยามเขาหุมห่อเขาดูถูกถูกแค้งเจสิเกิดจิตเสียตตลูกตั้งคิดตรงมาเปลี่ยนเหเขาเอื่อมาจิตเสียลูมพาเขาขาวกับกดำคั่มไปแล้วเนี่ย กี่เสียรูปแล้วกี่เสียรูปเสียปกติผากแล้วเนี่ยเขาเอื่นว่าอารมณ์นี่บานนี้ควจริงเพี้ยคันคันนี้แล้วมันมันละเอียดกว่าอันพวกกายานุปัสสนาเข้าสีดาเนืนไปหาพี่แล้วว่าท้อเรื่องนี่มันมันยากนั่งเตี้เข้ากมีบทสวดบทประกอบบดหน่อยทอนเพื่อนให้ออสิให้เอาสติเขามาประกอบ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะคอยเป็นเรื่องที่ใช่สติที่มีพลังนั่นนะเพื่อในให้เขาเกี่ยวของเพื่อนถือถือนักถีณาว่าหายนักปฏิบัติเอาประโยชน์ขั้นเอาประโยชน์ไปเอาประโยชน์จากสองสิ่งนี้บไตริสดงว่าผู้นั้นบ่มีภาวนาเพื่อนจึงคอยบ่ให้อารมณ์ผ่านผ่านไปซสีบ่บุตริ